พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห้าสิบลำดับที่หโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคม2555หหมีชื่อเรื่องว่าสติปัฐานสนี้คือทางพ้นทุกข์ วันนี้เป็นวันที่หนึ่งสิงหาคมพุทธศักราช2555เป็นวันพระขึ้นสิบห้าคำ่ำเดือนเก้าเป็นวันพระเป็นวันอุโบสถ ด, ด้วยวันนี้คณะสงฆ์ก็ได้ลงอุโบสถเมื่อบ่ายห้าโมงที่ผ่านมาแล้วก็มือเช้าพวกเราก็ได้ ทำบุญตักบาตรตามประเพณีและจากนั้นก็ได้สมาทานศีลแต่ตอนเย็นวันนี้ขณะนี้พวกเราก็ได้ไหว้พระทําวัดเย็นพร้อมกันต่อ น, นี้ไปหลวงพ่อก็จะได้กล่าวสมโภชนิยตคาเพื่อจะให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาในแง่มุมเรื่องที่ควรจะให้ได้รู้ หลวงพ่อจะพยายามยัดเหยียดหรือว่าหาแนวทางที่หลวงพ่อได้ศึกษาและปฏิบัติมาอย่างไรก็จะพยายามแนะนําบอกกล่าวความรู้ที่พวกเราทั้งหลายควรจะเรียนรู้เข้าใจในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา้าเพราะหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา้ามีมากถ้าจะว่ามากก็มาก 8ป0 0สี่พันพระธรรมมขันถ้าเป็นพระไตรปิฎกเล่มใหญ่ก็ทั้งสี่สบห้าเล่มเป็นเล่มใหญ่มากแต่ถ้าว่าเป็นของมหมามกุฏพิมพ์ออกมาก่อนตั้ง90สกว่าเล่มถ้าเป็นของสหธรรมภักดีก็ร้อยกว่าเล่มเพราะนั้นพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเรา ถ้าจะว่ามากก็ามากแต่ว่าถ้าจะว่าน้อยก็มีการย่นย่อ ก, ก็ว่าน้อยแต่ว่าแต่ถึงจะขายายขายายผลถ้าขายายผลออกมาก็คือกว้างขวางยาวมากแต่หลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่า คำสอนของเราตถาคตที่ประกาศบอกกล่าวไปนี้ไม่มากที่ความรู้ของเราที่ได้ตัดสู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาตคือความรู้ของโพธิญาตคือความรู้ของพระพุทธเจ้ามีมากแต่ตัดสู้แต่ที่เรานำ ร, รมคำสอนมาบอกกล่าวมาแนะนำพุทธบริษัทสี่นี่ ถ้าจะเปรียบเทียบกับใบไม้ก็เหมือนใบไม้อยู่ในการร ม, มือเพียงกำรรเดียวแต่ใบไม้อยู่ในจักรวาลมีมากนี้ก็เหมือนกันทำคำสอนของเราที่จะนำมาบอกกล่าวให้แกพุทธบริษัทสี่นั้นเพียงใบไม้อยู่ในการร ม, มือเท่านั้นแต่ที่เรารู้วิชาต่างๆวิชาทางโลกมากมาย วิชาเขาเรียนรู้เรารู้ทั้งหมดแต่เมื่อเราวิเคราะห์หรือว่าเราตรวจตราดูแล้วเป็นวิชาทำให้จิตใจของเราติดอยู่ในโลกวัฏสงสารเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกระลุดพ้นจากอาสวะกิเลสมีแต่เรียนไปเท่าไหร่ศึกษาไปเท่าไหร่ก็ยิ่งติดแน่นด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะ โลภโกรดหลงไม่มีทางที่จะขยับหรือถอยออกมาเรียนเท่าไร่ศึกษาเท่าไรรู้เท่าไหร่ก็มีแต่เครื่องที่จะมัดจิตใจของเราเข้าสู่กิเลสมีแต่ทาให้ติดอยู่ในโลกวัตฏสงสารไม่มีวันที่จะถอยออกมาได้แต่ทำคําสอนของเราตถาคต ที่เราสอนไปนี้เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายและก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเป็นอนันตากาศอันนี้ที่เราเอามาสอนเอามาแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัทของเราแต่วิชายอย่างอื่นไม่ใช่เราไม่รู้เรารู้แต่เมื่อเราวิเคราะห์ดูแล้วมีแต่เครื่อง ทำให้สอนไปเท่าไรก็ทําให้โรคเย่งติดเหนียวแน่นด้วยกิเลสเนี่นี่แหละคือทำคําคสอนของพระพุทธเจ้าที่เราได้ศึกษาแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะฉนั้นครูบาอาจารย์แต่ละองค์สุดแท้แต่องค์ไหนจะหยิบแง่มุมไหนมาศึกษาหรือมาบอกกล่าวให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ศึกษาแต่บางองค์ก็เลยพูดเรื่องทาน อนใสงของการทำทานผู้มีทานดีแล้วจะเกิดในภพภูมิใดก็จะมีความเจริญพาสุกไม่อั ต, ตคัดไม่ขัดสนด้วยปัจจัยสี่เพราะอา น, นิสงในการทำบุญทำทานอา น, นิสงสีลก็ทำให้พวกเราเกิดมาในภพภูมิใดก็ไม่มีใครเบียดเบียนไม่มีใครรังแกเรา ชีวิตของเราทั้งชีวิตก็จะเป็นไปได้วยความเรียบร้อยราบรื่นเพราะเราเป็นผู้มีสินรักษาสินในอดีตชาติสินของเราดีมาตลอดเราไม่ได้เบียดเบียนเราไม่ได้ลังแกใครเมื่ออันธิสงสินคุ้มครองเกิดพบใดชาติใดเราก็มีแต่ความผาสุก เ, เมื่อเดินทางเมื่อเรายัางไม่พ้นทุกเราก็พยายามเดินทาง เพราะนั้นเรื่องศีลก็ดีเรื่องทานก็ดีเรื่องศีลก็ดีใกล้ๆว่าเป็นสเสบียงเดินทางที่จะเข้าสู่มรรคผลนิพพานในเมื่อเรายังไม่ถึงจุดหมายปลายทางพวกเราก็พยายามให้เป็นผู้มีทานเป็นผู้มีศีลจากนั้นก็ภาวนาชำระจิตใจไปเรื่อยๆเพราะว่าเราจะต้องใช้เวลาเกิด ในวัฏสงสารเพื่อสั่งสมบรารมีอย่างที่พระพุทธเจ้าของเราก่อนที่ท่านจะได้ตัดสรู้เป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณอันดับแรกท่านก่อนึกคิดในใจซะก่อนเห็นพระพุทธเจ้าฟังธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าได้ศึกษาประธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหน้าอัจจรรั์เพราะว่ามองในมุมไหน ก็เกิดความเคารพนับถือเลื่อมใสก็ในใจโอ้จึงจะยาวนานขนาดไหนก็เถอะขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตด้วยเถิดอันนี้คือความคิดในใจคือปรารถนาในใจแต่ยังไม่พูดเพราะอายคนที่จะต้องพูดคิดในใจมาก่อนไอความคิดในใจจุดนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนชาติ พอคิดในใจแล้วแต่คิดมาขึ้นมาเวลาไหนได้ศึกษาทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเวลาใดก็ซึ้งในจิตในใจก็ขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นพร ะ, พ, ระงง พ, พุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตด้วยเถิดมีแต่คิดในใจอยู่งั้นพอต่อมาเมื่อบารมีแก่กล้าขึ้นคือปรารถนาจริงในให้ทานรักษาศีลไหวพระสวดมนต์ยังไงก็ขอให้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคต ต่นี้พอปรมีแก่กล้าขึ้นก็พูดออกปากได้พูดให้ใครฟังไหนโอ้ถึงยังไงผมขอให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตถึงจะให้ทานรักษาศีลภาวนาอย่างไรก็ตามผมยังไม่ปรารถนาที่จะเป็นภาษาวกบำเพ็ญเพื่อได้บรรลุธรรม ถึงยังไงขอให้กระผมได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตอย่างที่พระพุทธเจ้าที่เราได้ศึกษาตั้งแต่กกุจันโทโกณนะคมโนกัตโชโปโคตโมแล้วก็องค์ต่อไปก็คือพระอริยะเมตโยพระศีอ่านอันนี้เราพูดพูดด้วยความไม่สะทกไม่สะทานอันนี้เมื่อพูดแล้วไม่ใช่จะได้อีกต่างหากนอนอีกเหมือนกันบําเพญอยู่นั้น เนโลกกี่ร้อยกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านชาติเกิดป้นเวียนเวียนไหวตายเกิดอยู่ในบัตตะสงสารนี้แต่เกิดขึ้นมาพบไรชาติใดในใจของเราก็ขอให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตอันนี้ก็เป็นความปรารถนาจากนั้นเพื่อความปรารถนาแก่กล้าขึ้นเลยบำเพ็ญให้ทานรักษาศีวิไผพระสวดมนต์ปฏิบัติพ่อแม่ให้ทําคุณงามความดีอะไรก็ตาม ขอให้ได้ไปพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตนะแต่ไม่ใช่ทําความชั่วนะถ้าทําความชั่วเนะี่ยผลแห่งความชั่วนะปรารถนาไม่ได้มีแต่ตกต่ำํำมีแต่ปรารถนาแล้วก็ทำคุณงามความดีเสริมปรารถนาเฉยๆก็ไม่ได้นะแหมเหมือนกับเราให้ทานซะก่อนเรากราบพระซะก่อนน้อมจิตน้อมใจซะก่อนจึงตั้งความปรารถนาหรือว่าทําบุญทําทานซะก่อนหรือตัรักษาศีลซะก่อน เราจึงตั้งความปรารถนาแต่ไม่ใช่ว่าไม่ได้ทําอะไรเลยปรารถนาไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีอะไรที่เป็นเครื่องแลกเปลี่ยนพูดง่ายๆเราต้องน้อมคิดน้อมใจปฏิบัติเหมาะสมซะก่อนแต่ความปรารถนาของเรานั้นอยู่ในใจทีนี้พอบารมีแก่กล้าขึ้นเรื่อยๆบำเพ็ญไปเรื่อยๆจนถึง พร้อมที่จะได้เระนผูได้รับพยากรเมื่อได้รับพยากรก็กอย่างพระพุทธเจ้าของเราเป็นสุเมธาดาบทอยู่ในป่าไปบำเพ็ญอยู่ในป่าเป็นฤาษีอยู่ในป่ า, ปป า, ปปาจากนั้นพระพุทธเจ้าทีปังกรที่พระพุทธเจ้าทีปังกรได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณทีนี้ สุมเมธาดาบทเนี่ยบเพ็ญอยู่ในป่าเป็นฤาษีอยู่ในป่าแต่ท่านเหาะเหินเดินฟ้าได้เหาะได้เหาะมาทางอากาศพอเหาะเข้ามาเห็นพี่น้องประชาชนอยู่ในกำลังจะทำถนนเข้าไปสู่เมืองเพราะพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ในป่าดอนมุมหนึ่งของเมือง แต่ในระหว่างเมืองกับที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่นั้นทางถนนไม่ค่อยดีแล้วก็มีน้ำน้ำชับน้ำซาเดินไม่สะดวกพระสงฆ์เป็นหลายหมื่นองค์อยู่ในที่พักอยู่นทีน่นี้จากนั้นพี่น้องประชาชนก็เห็นว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในป่าดอนอีกฝากหนึ่งฝากที่ลุ่ม เชาถ้าว่าจะเดินอ้อมมันก็ไกลเกินไปเขาก็พยายามประดมคนตั้งแต่เช้ามืดมีจอกมีเสียมมีปุ่งกงปุ่งกีอะไรกระป๋งกระป๋องขนดินต่างคนก็ต่างมีศรัทธาอยากจะทำถนนเพื่อให้พระพุทธเจ้าเดินตรงแล้วก็มาบินธบาตในเมือง คนทั้งหลายก็ช่วยกันทำทีนี้ท่านลือสีจุมเมธาดาบทเป็นลือสีเหาะมาจากทางอากาศมาก็มาเห็นพี่น้องประชาชนเขาทำแบบไม่คุยกันทำแบบขมักเม่นผิดปกติลือศรีนี่ก็ลงมาจากอากาศก็มาถามเขาเอ๊ะพวกท่านทั้งหลายทำอะไรกันนะพวกเขาก็ตอบว่าพวกเราทำถนน พระพุทธเจ้าที่ปังกรกับพระสงฆ์อยู่อีกฝากหนึ่งแล้วพวกเราอยากจะทําถนนเพื่อให้พระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์บินธบาตในเมืองทางรัฐถ้าไปทางอื่นมันโค้งกว่าจะเข้าไปได้เพราะนั้นพระพุทธองค์เสด็จประทับอยู่เนี่ยเราก็ทําถนนตรงมานี่เลยเอถ้าเป็นอย่างนั้นผมขอทําด้วยคนได้ไหมหรือศีเกิดจั t h าขึ้นมาพอรู้ว่าพระพุทธเจ้า ประชากรประชาชนเขาว่าได้เอาเลยเอาคนละช่วงกันเขาก็คิดว่าลือศีเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชคงจะบันรงบันดาลให้ทำถนนขึ้นมาแบบเร่งด่วนเรื่อว่าด้วยฤทธิ์ของลือศีแต่ลือศีจะบันดาลด้วยฤทธิ์ก็ได้แต่ว่าเมื่อทำไปแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนกับแรงออกเรี่ยวออกแรงตัวเองคือศีกับพอ เขาอนุญาตให้ทำได้ด้วยกันลือศีก็ถลกหนังเสือออกจากตัวเองไปกองไว้ปลดจดาลงไปกองไว้จากนั้นก็ถลกจงกระเบนขึ้นมาลุยเลยจะไหนทางจอบทางเสียมขนอย่างอุตรลดเหมือนกับชาวบ้านยิ่งกว่าชาวบ้านอีกเพราะลือศีมีกำลังใจที่จะทำทำด้วยศรัทธา ทำอย่างไม่มองหน้าใครอีกเหมือนกันแต่ในของคนอื่นเขาก็ทำเสร็จท่าไหเพราะว่าเขาอยู่ในที่ดอนมันก็ทำง่ายกว่าเพราะว่าเขาเอาตรงที่แฉนะให้ลือสีเขาคิดว่าลือสีจะใช้อิฐเลสทำลือสีไม่ใช้อิฐเลสเนี่ยลือสีก็ใช้จอบใช้เสียมเหมือนกับชาวบ้านเขาผลในสุดพระพุทธเจ้าทีปังกรกับพระสงเสด็จมามาพอดี แต่ของฤาษีไม่เสร็จยังห่างอยู่ชั่วคนหนึ่งยังไม่เสร็จพระพุทธเจ้าเดินมาพอเดินมาฤาษีก็ตัวเองไม่เสร็จนอนเลยนอนคว่มหน้าให้พระพุทธเจ้าไต่หลังตัวเองเลยเหยียบหลังตัวเองไปเลยเพื่อให้พระสงฆ์เดินผ่านไม่ต้องเปียกเท้าเปียกให้เดินผ่านไปได้ พระพระพุทธองค์เดินมาเห็นลือศีนอนให้พระพุทธนอนทอดเป็นสะพานให้พระพุทธเจ้าพร้อมพระสงฆ์เดินผ่านพระพุทธเจ้ามายืนที่ลือศีหันศีสะมาเพระพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนสงฆ์ทั้งหลายลือศีคนเนี้ชื่อสุมเมธดาบทต่อไปภายภาคหน้าจากนี้ไป เขาจะได้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตชื่อว่าพร ะ, ะ, ะ, ะโคตมะพระโครรมพุทธเจ้าในอนาคตพระบิดาชื่อพระเจ้าจุดโทธนะพระมารดาชื่อสิริมหมามายาอัรมเหสีชื่อพิมพายโสทละบุตรชื่อพลาหนุนมีพุทธอุปถาคือชื่ออานนัคขสาวกขวาพระสารีบุตร อัครสาวกซ้ายพระโมกขลาพระพุธองค์ทานายไว้หมดภาษาวกที่สำคัญจะว่านี่แหละต่อไปภายภาคหน้าสุเมธาดาบทนีจะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งแต่ชั้นปัญญาธิกะอายุของเขาไมา่ยืนไม่มากบา ร, รมีของเขาไม่มากพระพุทธเจ้าพระสุเมธดาบทนี้พระสงฆ์ทั้งหลายก็ได้รับทราบจากนั้นพระองค์ พระพุทธเจ้าได้เดินเหยียบผ่านหรื อ, อยังไงท่านก็ไม่ได้บอกแต่ท่านได้รับพยากรณในี่ละคําว่ารับพยากรณ์คํานี้แหละอันนั้นแหละแน่นอนเลยท่านไม่เป็นอย่างอื่นถ้าได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งแล้วอันนั้นแน่นอนคําว่าไปทางอื่นไม่ได้พระพุทธเจ้าตรัสไม่มีสองตัดคําเดียวก็จบเป็นคํานั้นตลอดนั่นแหะคือพระพุทธเจ้าของเรา ได้รับพยากรจากพระพุทธเจ้าทีปังก่อนสมัยนั้นท่านเป็นสุเมธาดาบทได้รับพยากรจากพระพุทธเจ้าจากนั้นท่านก็ล้มหายตายจากไปท่านาขึ้นอยู่ชั้นพรมเพราะท่านเป็นฤาษีท่านมีฌานสมาบัติท่านคงขึ้นอยู่ชั้นพรมออกจากชั้นพรมลงมาก็มาเกิดคล้ายๆกับว่าพร้อมที่จะไปเกิดในที่ทุกสถาน ทุกๆจนๆจนา ท, าทั้งต่ำรวยทั้งทุกข์ยากลำบากตกนรกแต่ในพระไตรปิฎกท่านก็บอกว่าผู้ที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าไปสู่สวรรค์ก็อยู่ไม่ได้นานเพราะจะต้องกลับมาลงมาสร้างบารมีในเมืองมนุษย์ใครเขาาไปสู่สวรรค์นั้นไปเสวยเหมือนพวกเราไปเที่ยวเมืองนอกอย่างนั้นะไม่ใช่ ไม่ได้ทำมาค้าขายไปเที่ยวมืนอนอกก็ไปสวยสวยผลงานที่ตัวเองได้ได้หาเงินไว้ไปใช้จ่ายเงินไม่ใช่ไปทำงานแต่ว่ามาอยู่เมืองไทยหรือกลับมาอยู่บ้านตัวเองคือการทำงานเพื่อหาทุนอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อไปสู่สวรรค์ชั้นพรมห้ว่าไปทำไปสวยผลแห่งการบำเพ็ญของตน บุญกุศลส่งไปแล้วก็ไปเกิดแต่พระพุทธที่สัตว์นจะอยู่ไม่ได้นานเพราะว่าเสียเวลาในการไปอยู่ชวันสั้นกลับมาสร้างบารมีในเมืองมนุษย์แต่ถ้าว่าพระโพธที่สัตว์ทํากรรมชั่วพอทํากรรมชั่วเนี่ยพระโพธที่สัตว์ก็ต้องตกนรกไม่ได้เลือกเพระโพทธที่สัตว์ทําชั่วแล้วเป็นในชั่วไม่ใช่พระโพทธที่สัตว์ตกนรกพอตกนรกแต่ตกตกนรกไม่นานอีกเหมือนกัน เพราะว่าใจของท่านคิดอยากจะมาสร้างบุญบารมีอยู่ตลอดไปนรกก็ไปไม่นานไปสวรรค์ก็ไปไม่นานพระโพธิสัตว์อันนี้คือพระไตรปิฎกท่านพูดแล้วก็พระโพธิสัตว์เนี่ยจะไม่เกิดเป็นสัตว์ธิรฉานที่ไม่มีกระดูกสัตว์ธิรฉานที่มีกระดูกแต่ไม่น้อยไม่เล็กกว่านกกระเจาะอันว่ากั้นนะ อันนี้คือพระโพธิสัตว์มาเกิดไม่เล็กกว่านกกระจอกแต่ไม่ไม่เป็นสัตว์ที่มีไม่มีกระดูกอย่างพวกเปล่งไส้เดือนตัวบุ่งพระโพธิสัตว์จะไม่มาเกิดถัดต่ําถึงอย่างนั้นอันนี้ก็ท่านพูดในพระไตรปิฎกอันนี้ก็คือพุทธานุภาพรว่าการบําเพ็ญของพระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์ไม่ใช่ว่าเป็นมาได้ง่ายๆ ไม่ใช่ว่าเป็นได้ปุปปับปรับอย่างพวกเราท่านทั้งหลายสาวกสาวกะเป็นผู้สดับอย่างเกิดมาพบนี้ชาตินี้พวกเราได้พบพระพุทธศาสนาแต่พวกเราเกิดความเคารพนับถือเลื่อมใสในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา้าเราก็ตั้งความปรารถนาในใจเออขอให้ข้าพเจ้าพ้นทุกในวันะสงสารเถอะให้ถึงนิพพานโดยเร็วเสื่องลาบเรื่องยศเรื่องสนเสริญเยือนยอนั้น ข้ามไเจ้าไม่ต้องการทั้งนั้นเกิดมาพบไรชาติใดที่จะเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ถึงจะมียศฐานบรรดาศักดิ์ล่ํารวยเศรษฐีมหาเศรษฐีระเจ้าจากักรพรรดิระดับไหนก็เถอะผละนิสสุก็เกิดแก่เจ็บตายเวียนไหวตายเกิดหน้าเบื่อเหลือเกินพอถึงจะข่าวจะตายทั้งนั้นมันทุกข์เหลือเกินเพราะฉนั้นขอให้ข้าไปเจ้าพ้นทุกข์อย่าได้มาเวียนไหวตายเกิดถึงพระนิพพานด้วยเร็วด้วยเทิน จะเป็นสาวกก็ได้นี่แหละอันนี้ก็คือความปรารถนาของพระสาวกแต่บางคนก็เอนถึงจะค้าจะเป็นสาวกก็จริงอยู่แต่ขอให้ข้าพรเจ้าได้ตําแหน่งอย่างพระสาวรบุตรได้ได้อย่างพระสาว ร, าราีบุตรด้วยเทิญเป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้าสาวกข้างขวาของพระพุทธเจ้าให้เป็นผู้มีปัญญาเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายคนทั้งหลายในยุคสมัยนั้น แต่บางคนเขขอให้อย่างพระโมกขลาเนี่ยขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชเหาะเหินเดินฟ้าได้มีอิทธิฤทธิ์ในศาสนาของพระพุทธเจ้าที่ข้าพเจ้าได้เกิดเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าข้างซ้ายด้วยเทินนีอันนี้คือคือความปรารถนาไม่เหมือนกันสรุปแล้วก็คือนานาจิตตังนานาทัศนะนานาความคิดนานาความปรารถนาเพราะฉะนั้นพวกเรา แอบปรารถนาอะไรเนี่ยแต่หลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อว่าเออเออถึงยังไงยังไงจะทํำยังไงจึงจะให้ถึงมรรคผลนิพพานเร็วที่สุดอย่าได้มาเวียนว่ายตายเกิดเอออย่างที่หลวงพ่อให้สมาทานศีลเอารักษาศีลอุโบสถขอให้ข้าพเจ้าถึงนิพพานในปัจจุบันในชาตินี้ด้วยเถิน่ะเพราะให้นั้นให้ถึงเร็วเนี่ยถ้า ถึงยืดเยอะก็มีแต่ความทุกข์เรามองเห็นว่านี่เราเกิดแก่เจ็บตายมีแต่เรื่องทุกข์ท้งนั้นเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านที่เรามองดูสิอย่างที่หลวงพ่อพูดเมื่อเช้าหลวงพ่อบอกว่าพาชนะร่างกายเหมือนพาชนะดินพร้อมที่จะแตกได้ทุกเวลาเหมือนกับโอ่งดินหรือจานดินหรืออะไรก็ตามที่ปั้นด้วยดิน พร้อมที่จะแตกถ้าถูกน้ำหมากักมันก็ชื้นเข้ามาก็พร้อมที่จะแตกเพราะฉนั้นร่างกายของเรานี่ก็พร้อมที่จะแต ก, เ, ก, เ, เ, ก, แตกเหมือนกันกับภาชนะดินเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราศรัทธาญาติโยมพระเนนของเราทุกๆองค์อย่าตั้งอยู่ในความประมาทจะทํายังไงจึงจะพ้นทุกในวัฏสงสารเร็วที่สุด แก่กล้าที่สุดหลุดพ้นในเร็วที่สุดจะทำยังไงแต่พระในคร้างพุทธการท่านก็ถามกราบทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์บอกว่าถ้าหากว่าพวกท่านทั้งหลายมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจจริงเอาจริงจริงจังๆให้จิตอยู่ในสติปัฏฐานสี่ให้จิตใจของเราอยู่ในสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรม จิตใจของเราอยู่ในกายตลอดไม่ส่งออกไปข้างนอกใจของเราอยู่ในเวทนาความสวยความสุขความทุกข์ลมหายใจเข้าออกอยู่ในเวทนาตลอดใจของเราอยู่ในความนึกคิดมีสติอยู่ในความนึกคิดอยู่ตลอดใจของเรามีอารมณ์อยู่ในความนึกคิดมากระทบเป็นสุขเราก็รู้เป็นทุกข์เราก็รู้เฉยๆเราก็รู้ รู้ใจของตนเองอยู่ในใจของตัวเองเห็นใจของตัวเองอยู่ตลอดในการสวยนั้นนั้นอันนี้ว่าจิตตาธรรมานุปัฏฐานเพราะนั้นถ้าว่าพวกท่านอยู่ในสติปัฏฐานใด ส, สติปัฏฐานหนึ่งในสี่ติปัฏฐานนั้นเรารับรองอย่างมากไม่เกินเจ็ดปีอย่างมากไม่เกินกเจ็ดเดือนอ่าเร็วที่สุดเจดวันจะได้สาเร็จ ถ้าพวกท่านอยู่ในสติประฐานสีทีนี้พวกเราคิดดูสิว่าเราภาวนาเพียงนาทีหนึ่งใจของเราไม่รู้ออกไปรู้ที่ไหนไม่รู้กี่ครั้งตัวกี่หนทีนี้ปั้นไปไม่ได้ที่จะอยู่ให้จิตใจอยู่ในสติประธานอยู่ทั้งเจ็ดวันเจ็ดคืนหรือเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดปีหรื่าเจ็ดเดือนให้อยู่ในสติประธานศี จะอยู่อย่างนั้นมันไม่ใช่ของในง่ายๆแต่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าถ้าว่าพวกท่านเห็นโทษจริงๆพวกท่านจะต้องอยู่ในจิติปฐานสี่แต่เป็นไส่พวกท่านไว้โลกได้ยังมีความสุขสนุกสบายยังโดยในแง่มุมใดมีแต่ความสุขอยู่มองโลกในแง่ความสุขอยู่เท่าเม็ดงาขาลิ้นพวกท่านก็ยังติดอยู่ในโลกไยหลวงปูล่าาาลาวภาษาหลวงปูล่ลาว ถ้าหัวใจของเรายังติดอยู่ในโลกมีความสุขอยู่เท่าเม็ดงาขาลิ้นเรา็ยจะไปหนีจากโลกไม่ได้เราจะต้องติดอยู่ในโลกเพราะยังมีติดอยู่ในความสุขนั้นนิดหนึ่งค่ะนี่แหละอันนี้พวกเราคิดดูซิว่ามันไม่ใช่เม็ดงาขาลิ้นแหะใจของเรามันคล้าค่าว่าตัวช่างเลยแ่ละความติดติดสุขของเราติดในโลกของเรากินเข้าไปนอนอิม่ม กินเข้าไปอาหารอร็ดอร่อยก็ติดในอาหารนอนรับสบายก็ติดในการเป็นอยู่การนอนการนั่งสบายก็ติดในการนั่งการพูดคุยกันก็ติดในการพูดการคุยออวิทยุโทรทัศน์อะไรคข้ามามิจฉลึงยาเสพติดทางนั้นที่เราจะทรงจิตสงใจออกไปข้างนอกเพราะนั้น เราจะให้อยู่ในสติปัฏฐานสีกายเวทนาจิตธรรมมันไม่ใช่ของธรรมดาแต่ถ้าว่าเห็นโทษเห็นโทษคือเห็นอย่างไงพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเห็นโทษน่ยคล้ายๆกับว่าเราเห็นพยามัจจุราชคือความตายเนี่ยเหมือนกับพยามัจจุราชถือดาบอันคมกริบแล้วก็บังคับให้นักโทษคือเราเนี่คือนักโทษให้ถือขันน้ํามันงา ขันเต็มด้วยน้ำมันงาเขาใส่น้ำมันงาใส่ให้เต็มแล้วก็ให้นักโทษคนนั้นประคองให้เดินไปเอาเดินไปหนึ่งกิโลทั้งที่ถนนหนทางครุกคลดอย่าให้น้ำมันงาหกนะ้าน้ำมันงาหกเมื่อไหร่เมื่อนั้นคอของคุณจะกระเด็นในขณะนั้นทีนี้นักโทษคนนั้นก็จะทำยังไงประคองชีวิตของตนเอง จะไม่เห็นน้ำมันงาออกระเพิ่มเรืยว่าหกหรือแม้แต่หยดเดียวเพราะว่าพญามัจจุราชถือดาบเดินตามหลังอยู่นี่แหละถ้าหากว่าเรากลัวความตายเรียว่ากลัวความทุกข์กลัวมัจจุราชเหมือนกับเรากลัวเนี่แหละเหมือนกับเราถือน้ำมันงาประคองขันน้ำมันงาแล้วก็มองสำลีบมองถูกพญา มัจจุราชเนี่ยทหารเนี่ยเดินตามหลังอยู่เพชฌฆาตเดินตามหลังอยู่เนีเราจะระวังขนาดไหนนี่แหละถ้าระวังได้ขนาดนั้นแหละคือสติปัญญาสี่จะอยู่ในจะอยู่กับตัวเองจะไม่เคลื่อนคลาดไปทางอื่นถ้าใครก็ตามถ้าเห็นพญามัจจุราชคือความตายแกลัวเหมือนกับเรากลัวเพชฌฆาตเนี่ยที่ถือดาบตามหลังนั่นแหละ เราจะอยู่ในสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมอันใดอันหนึ่งได้ทีเดียวอันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านตรัดเตือนพวกเราท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นแนวความคิดหรือว่าเป็นแนวทางสําหรับพวกเราจะต้องศึกษาจะต้องเรียนรู้ในธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ใช่ว่าได้เป็นง่ายๆนึกในใจแล้วก็ออกปา จากนั้นก็ได้รับพยากรณเพื่อรับพยากรณ์ไปว่าแน่นอนในเมื่อออกมากับบาเพ็ญไปเรื่อยๆบาเพ็ญก็ไม่ใช่ว่าจะได้เฉวยความสุขตลอดมาไม่ใช่ตกนรกไม่ทั่วกี่ครั้งตกกี่หนแต่ว่าการตกนรกอย่างที่ท่านได้กล่าวไว้ในพระไตรปิฎกตกไม่นานขึ้นสวรรค์ไม่นานเพราะว่าเสียเวลาในการมาบําเพ็ญนี่แหละอันนี้มาพูดถึงเกี่ยวกับภาษาวก k e อย่างที่หลวงพ่อได้พูด ก็ได้บำเพ็ญทานศีลภาวนาแต่ก็ไม่เหมือนพระพุทธเจ้าแต่เมื่อพระพุทธเจ้าก็ได้พยากรณ์กว่าผู้ใดก็ตามอยู่ในจติปฐานสี่ไม่เกินเจปีไม่เกินเจดวันไม่เกินเจ็ดเดือนไม่เกินเจดวันก็อย่างที่หลวงพ่อได้เปรียบเทียบให้ฟังเหมือนกับเพชรชาดบอกกับนักโทษที่ถือน้ามันขันน้ามันงา ประคับประคองถึงขนาดนั้นถ้าพวกเราท่านทั้งหลายที่ได้ยินที่หลวงพ่อพูดเนี่ยถ้าเรากลัวความตายถึงขนาดนั้นหลวงพ่อเอง ก, ก็คงจะมั่นใจเหมือนกันนะพวกเราเนี่ยคงจะสมาธิของเรากคงจะดีขึ้นการบำเพ็ญคุณงามความดีก็คงจะดีขึ้ น, ด, นดีขึ้นทุกอย่างจิตใจของเราก็คงจะก้าวหน้าเพราะเราเห็นมัจจุราชเหมือนกับ พยาเพชเหมือนกับเพชรชข้าดถือดาบเดินตามหลังของเราอยู่ตลอดไปล่ำเวลาถ้านนึกดูแล้วกัท่านมันก่นเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าความตายไม่ได้เลือกสถานการสถานที่ไม่ได้เลือกพวกผู้น้อยผู้เยาผู้เท่าผู้แก่ชีวิตของเราไม่ได้เลือกว่าเวลานั้นเวลานี้นถึงเขานั้นเขานี่จะรมหายตายจากไม่ใช่เหมือนกับเพชรขาดเดินตามหลังเราอยู่ตลอดเวลาบางทีนอนหลับ ตายในนอนกลับก็มีทานอาหารตายก็มีนั่งเครื่องบินตกเครื่องบินตายก็มีตกรถตกเรือตายก็มีนั่งคุยกันในดีหัวใจวายตายก็มีไม่รู้กี่ครั้งตกกี่หนถ้าบรรยายถึงความตายแล้วกออ็คงจะพูดทั้งคืนก็ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะนั้นเรื่องมรณะภัยคำนี้ตัวนี้ใครจะเป็นผู้คิดแต่เราพวกเราท่านทั้งหลาย ไม่คิดไม่ทบทวนถ้าว่าพวกเราไม่คิดพวกเราก็ตั้งอยู่ในความประมาทเพราะไม่ระลึกถึงความตายจากนั้นก็หลงไหลในเรื่องต่างๆหรือว่าทางโลกยศถาบรรดาศักดิ์เงินคําทรัพย์สมบัติพี่น้องลูรกน้านสามีภรรยาทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นของตัวเองก็หลงไปอีกแต่ถ้าเราระลึกถึงมรณะภยัยคือความตายจุดนี้ ไม่รู้ว่าวันไหนชีวิตของเราจะต้องออกจากโลกกระเด็นออกไปนี่แหละสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะให้พวกเราทบทวนไตรตรองด้วยเหตุและผลพระพุทธเจ้าท่านบอกกล่าวแล้ ว, ว่าอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่รู้ว่าจะออกไปเวลาไหนคิดไว้ดีกว่าไม่คิดเพราะเราไม่คิด คือเราประมาทเราชลาใจแต่ถ้าเราคิดไว้ถ้าไม่รู้ว่าวันไหนชีวิตของเราจะจากไปเราจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทสิ่งไหนที่จะเป็นคุณงามความดีเราก็จะสะสมสั่งสมคุณงามความดีเข้ามาสู่จิตใจของพวกเรามีการให้ทานรักษาศีลภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องภาวนาเนี่ยสาคัญอย่างมากถ้าเราภาวนาจิตใจอยู่ในตัวเองให้สติอยู่กับกาย กายานุปัจนาสติปัฏฐานหรือว่าพิจารณาสติอยู่ในกายคนมีสติอยู่ในกายพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าผู้มีสติอยู่ในกายผู้นั้นจะเข้าใกล้ อ, อ, อมตะอมตถธรรมคือไปเข้าไปใกล้สิ่งที่ไม่ตายถ้าสติอยู่ในกายอยู่ตลอดผู้นั้นเข้าใกล้สู่ธรรมอมตะ คือสิ่งที่ไม่ตายคือคือพระนิพพานนั่นเองถ้าว่าพวกเรามีสติอยู่ในกายกายยะคตาสติผู้นั้นจะไม่หลงไม่หลงตัวไม่ลืมตนรู้เท่ารู้ทันรู้เรื่องรู้ราวรู้การเป็นอยู่ของเราทุกอริยบทในการเคลื่อนไหวถ้าว่าผู้ใดอยู่ในสติอยู่ในกายหยุดตลอดผู้นั้นจะ มีความสุขเพราะไม่หลงไม่หลงในเรื่องราวต่างๆแต่ว่าเราไม่มีสติอยู่ในกายแล้วเราจะหลงหลงเรื่องต่างๆได้ง่ายนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสเอาไว้ให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาเหมือนกันเพราะนั้นอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านก็ให้ภาวนาให้ภาวนา แต่พรกพได้เจ้าท่านภาวนาเหมือนกันท่านกำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกที่โคลนต้นโพแต่หลวงปูมั่นสายคูบ า, าจา์ของเราที่หยุดยุกจุดท้ายภายหลังท่านบอกว่าหายใจเข้าควนบริกรรมว่าพุทธหายใจออกบริกรรมว่าโธให้ยึดพุทธโธนะถาวดกำหนดเฉยๆทาให้หลุดได้ง่ายแต่ ต้องใช้สมทับคำวิกรรมเข้าไปด้วยนอันนี้ก็คือหลวงตามหาบัวก็ยอมรับอีกท่านว่าแต่ก่อนหน้านี้เมื่อเราเรียนหนังสือจบในมหาปริญญาจากนั้นเราก็ภาวนากาหนดกำหนดใจเฉยเฉพอกำหนดใจเฉยเมันเสื่อมมันเสื่อมได้พอจากนั้นก็เสื่อมพอกำหนดไปแล้วก็หายไปหายไปแล้วก็ขึ้นมาอีกแล้วก็หายไปโอ้มันทำไมเสื่อมต่อหน้าต่อตายอย่างนี้ เราจะบริกรรมบัดนี้ต่อไปเราจะบริกรรมหายใจเข้าพุทหายใจออกโถเราเวลาเราเดินเราจะขาขวาพุทธขาซ้ายโถเวลาเราปัดกวาดเราจะเวียงขวาพุทธเวียงซ้ายโถเราฉันเราอาบน้ำเราที่ไหนก็ตามเราจะมีความรู้สึกในกายของเราอยู่ตลอดเราจะไม่ให้เผลอจะไม่ให้หลงในกายให้อยู่จิติอยู่กับกายของเราตลอด ท่านว่าวันแรกโอ้โหมันหนักจริงๆแต่ว่า ไ, ไม่มีงานไหนที่จะหนักยิ่งกว่าการกําหนดใจอยู่ในกรรมฐานพอวันที่สองก็หนักพอวันที่สามที่สี่รู้สึกว่าใจอยู่กับตัวเองเบาผลในสุดก็เลยพอกําหนดได้จริงๆวันที่ห้าที่หกมั่นเชื่อมั่นในตนเองโอ้ใจของเราไม่เสื่อมไป รับรองตัวเองได้เถิจากนี้ไปใจของเราจะไม่เสื่อมอจะไม่หลุดไปที่ไหนอยู่กับตัวเองตลอดนี่แหละอันนี้ก็คือแนวทางที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ลูกปู่ลงตาที่ท่านสอนเอาไว้เพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายคำว่าจิตตภาวนาคานี้ไม่ใช่ว่าอยากจะทำก็ทำอยากจะนึกก็คิดอยากจะคิดก็คิดบางครั้งเราต้องบังคับใหม่ๆแล้วต้องบังคับบังคับตัวเองให้อยู่กับกรร ม, มาฐาน บังคับใช้บังคับเพราะฉะนั้นเมื่อบังคับแล้วเราจะเห็นผลในเมื่อเห็นผลแล้วจะนี่มันขยันเองไม่ต้องบังคับมันไปเองพราะเรารู้คุณค่าแล้วนะอันนี้ก็ขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะระดับแรกเนี่ยเราจะต้องบังคับในการนั่งถึงจะเจ็บปวดขนาดนี้ก็นั่งบังคับมันจะเอาขนาดไหนเวลาจวนจะตายมันยิ่งกว่านี้ใจจะขาดมันจะขนาดไหน ทนทุกทรมานขนาดไหนอันนี้ยังไม่ถึงขนาดนั้นนั่งกําหนดดูดูใจดูกาย ด, ด, ด, ดูกายดูใจดูใจดูกายกําหนดเข้าไปจากนั้นกัเมื่อจิตสงบรวมเมื่อจิตสงบรวมลงเป็นหนึ่งแล้วท่นี้นั่นแหละเมื่อถอนขึ้นมาเราก็รู้ได้และเออความสุขอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสจริงๆนัตติสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี เราเร่ริมรถแล้วทดลองไดปริมรถทำประทับคําสอนเรื่องสมาธิแล้วข่าวนี้จากนั้นบางคนก็ติดในสมาธิอีกอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกกล่าวท่านทบอกว่าให้บังคับนะอย่าไปติดในสมาธิทําให้เสียเวลาในการทําสมาธิเข้าไปอยู่สมาธิแล้วก็ติดสมาธิเหมือนกับเราติดในเป็นการเป็นสุขนะกินนอนแล้วก็เข้าห้องแอร์แล้วก็พักผ่อนอย่างนั้นอะ่ะ ให้ออกนะออกทำงานนะให้ออกคิดนะให้ค้นนะคิดนะให้ออกมาพิจารณานะค้นคิดอะไรค้นคิดถึงร่างกายอย่างที่พวกเราได้สวดอย่างโคเมกา ย, ยูกายของเรานี่แหละให้ค้นคิดตามที่เราได้บอกไปพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็กระดูกเยื่อในกระดูกเรื่อเราจะพิจารณาร่างกายของเราให้เห็นแต่กระดูกทั้งหมดทั้งร่าง มันเป็นกระดูกทั้งหมดใช่ไหมร่างกายของเราคือเราไม่ได้คิดแบบลมๆแรงๆนะเราเอาความจริงมาพูดเอาความจริงมาคิดถ้าว่าเราถลกเนื้อหนังออกไปแล้วกระดูกของเราก็มีจริงๆอยู่ข้างในเนี่ยแหมอาการสามสิบสองอยู่ข้างในตับปอดหัวใจไตลำไส้มีอยู่ในท้องของเราจริงๆเแน่นเอียดอยู่ในในท้องของเราเราไม่ได้คิด แบบเพ้อเฝันฝันแต่เรามีมีแต่เพียงไม่อยากจะคิดทนเองไม่อยากจะรู้ตนเองทั้งที่มันรู้มันมีอยู่ในในตัวของเราแต่เราไม่อยากจะคิดเราจะไม่อยากจะรู้อันนี้แหละคือตัวกิเลสมันกันเอาไว้ไม่อยากจะให้เราคิดแต่ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าให้คิดตามความเป็นจริงร่างกายของเรามีอะไรมันไม่ใช่ของจิรังถาวร น, นะอีกสักวันหนึ่งนะจะต้อง แตกสลายลงไปสู่ดินน้ําลมไฟตายแน่แน่ลงสู่ดินน้ําลมไฟตายใจจิตใจของเราเนี่ยออกจากร่างแน่ๆไม่เป็นอย่างอื่นแต่ทำคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าร่างกายเนี่ยมันเป็นหินรับปัญญาทําให้ปัญญาของเราคมขึ้นมาได้เพราะการพิจารณากายจากนั้นเมื่อพิจารณากายแล้วก็ดูดูที่กายเห็นกายจากนั้นก็เห็นใจก็เห็นใจแล้วเห็นกาย ปล่อยวางที่ไหนปล่อยวางที่ใจเมื่อเรารู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเราเราเห็นได้ชัดเจนว่าร่างกายไม่ใช่ตัวตนเราอีกสักวันหนึ่งร่างกายจะต้องไปสู่สภาพของมันใจของเราก็รู้เท่ารู้ทันไม่ยึดมั่นถือมั่นในกายเอาเถอะ เ, เหมือนกับรถเนี่ยถึงจะรถไม่ใช่ตัวของเราก็เถอะแต่เราก็ต้องใช้รถต้องทนุถ น, นอมรถต้องเช็ดรถต้องดูแลรถต้องให้น้ามันรถต้องให้น้ารถเออ เพื่อจะให้รถเดินไปสู่จุดหมายปลายทางแต่ในใจของเราคิดอยู่แล้วว่ารถเนี่ยมันอีกสักวันหนึ่งจะต้องแตกจะต้องตายสลายแน่นอนแต่เราจะต้องหนีจากรถคันนี้แน่นอนไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่งแต่เราได้เตรียมพร้อมหรือยังที่เราจะหนีจากรถคันนี้อันนี้เป็นหน้าที่ของผู้มีปัญญาทั้งหลายผู้มีปัญญาทั้งหลายผู้ได้รศึกษาทำตามทำคสอนของพระพุทธเจ้า นึกที่ ว, ว่ามรณเมภาวิจติและลึกถึงความตายอยู่เสมอเราจะไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทแล้วก็ต้องรู้จักวิธีว่าจะเอาจะเดินยังไงจะทำยังไงจึงจะหาทางคนตัวเองจะพ้นทุกในวัฏสงสารเดินตามมรรยามรของพระพุทธเจ้าอย่างไรอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะ เรื่องการวิธีกําหนดลมหายใจและวิกีการพิจารณาหลวงพ่อก็ได้พูดให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษามามากต่อมากแต่วันนี้หลวงพ่อมีแต่แนวความคิดให้แก่พวกเราเป็นแนวความคิดว่าวิธีดําเนินชีวิตของพระพุทธเจ้าวิธีดําเนินชีวิตของพระสงฆ์สาวกวิธีดําเนินชีวิตของพ่อแม่ครูบาอาจารย์และก็วิธีดําเนินชีวิตของพวกเราเราจะดําเนินอย่างไร ไม่มีใครจะดําเนินชีวิตของเรานอกจากตัวของเราเองตัวของเราเองนั่นแหละจะเป็นผู้ดําเนินชีวิตของเราเพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านมให้กันกรองไตรตรองดําเนินชีวิตของเราไปในทางที่ถูกต้องอย่างไรการพูดการกล่าวสมุดธนิยคาถาวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาข อ, อยุตติเอาต่อเนื่ไปนั่งสมาธินะัตทินีนะ